ข้อความในมหาปรินิพานสูตรทีขณิกายมหาวัคเนี่ยนะต่อจากครั้งที่แล้วถ้ามีคำถามว่าทำไมนอพระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องภาคเพียรพยายามอุตสาหะเดินทางไกลเนี่ยนะรอนแรงไปเรื่อยเพื่อจะไปปรินิพานที่กรุงกุสินาราเนี่ยนะซึ่งหนทางก็ไกลพอสมควรแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมาก ซึ่งพระองค์สามารถที่จะเลือกปรินิพานในเมืองต่างๆเช่นเมืองราชครึกภัยสาลีเป็นต้นดังเช่นที่พระนลกราบทูลซึ่งพระองค์ก็มีเหตุผลหลักๆอยู่สามประการเนี่ยนะที่พระองค์เสด็จมาดับขันปรินิพานที่กรุงกุสินาราเหตุผลแรกเนี่ยนะที่สําคัญและจําเป็นเลยก็คือเพื่อจะแสดงมหาสุทัศนสูตรเนี่ยนะ ทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะรู้ผลแห่งกุศลลมูลนะรู้บุญรู้ผลแห่งบุญรู้ความเจริญนะนะรู้ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความเจริญซึ่งพระองค์ก็ได้แสดงมหาสุทัศนสูตรแล้วก็ตอนท้ายพระองค์ก็ยังประกาศถึงความที่สังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่ยั่งยืนนะนะประกาศถึงว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นยังเมืองกุสาวดีเนี่ยนะ ถือว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่บัดนี้แม้แต่ชื่อยังเปลี่ยนไปสังขารทั้งหลายก็ถึงความเปลี่ยนไปพระเจ้ามหาสุทัศนะก็ถึงความแปรไปเนี่ยนะสังขารทั้งหลายเนี่ยนะไม่เที่ยงหราะมันควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารสังขารจึงถึงจะวิจิตพิสดารงดงามวิจิตบุญกรรมขนาดไหนตกแต่งก็ตามถึงอย่างนั้นสังขารเหล่านั้นก็ไม่มีความยั่งยืนเป็นสุดท้าย อันนี้เป็นเหตุผลแรกซึ่งเป็นช่วงปฐมมยามแห่งราตรีเป็นช่วงที่พระองค์นั้นแสดงมหาสุทัศนสูตรในช่วงมัชชมยามแห่งราตรีเนี่ยนะในคืนสุดท้ายคืนปรินิพานนั้นเหตุผลอย่างที่สองที่พระองค์เลือกปรินิพานที่เมืองกุสินาราก็คือพระองค์จะแสดงหรือจะโปรดโสภัปริภาชกเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นสาวกองสุดท้าย ที่เกิดทันพระพุทธเจ้าหมายความว่าได้บวชเฉพาะพระภักของพระองค์แล้วก็ตรัสรู้ะนะตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่เป็นสาวกองค์สุดท้ายว่างั้นเถอะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ในเรื่องโสพัทธปริภาชกเนี่ยนะข้อหนึ่งร้สาสิบแปดกล่าวว่าสมัยนั้นโสพัทธปริภาชกอาศัยอยู่ในเมืองกุสินารา สุภัทปริพาชกนั้นได้ฟังมาว่าพระสมณโคโดมนั้นจักปรินิพานในปชิมยามแห่งราตรีวันนี้นะหมายข้าวันนี้ใกล้รุ่งอรุณนั้นพระผู้มีพระภาคจะปรินิพานลำดับนั้นสุภัทปรริพาชกได้มีความดํางริว่าเราได้ฟังคํานั้นของพวกปริพาชกผู้แก่เท่าซึ่งเป็นอาจารย์และป่าจารย์ นะซึ่งคืออาจารย์ของอาจารย์ได้มีการกล่าวสืบท อ, อดกันมาตามลำดับว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอุบัติขึ้นในโลกในบางครั้งบางคราวคือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของมีตลอดการและสมัยเป็นของที่มีอยู่ชั่วคราวเนี่ยนะซึ่งคำพูดอันนี้ก็เป็นความจริงแท้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนั้นเป็นของ ชั่วคราวหรือเกิดขึ้นในโลกครั้งคราวเท่านั้นขณะเดียวกันพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยพระโคดเกิดในโคตมโคดเนี่ย น, นะก็เรียกชื่อตามพร ะ, พระโคดว่าพระสมณโคดมก็คือชื่อตามพระโคดนั้นพระองค์จักปรินิพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้แหละเกิดก็ยากยากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสักองค์หนึ่ง เสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจับปรินิพานในคืนนี้อันหนึ่งธรรมะอันเป็นที่สงสัยซึ่งบังเกิดขึ้นแก่เราก็มีอยู่เรานั้นเลื่อมใสในพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมย่อมสามารถเพื่อจะแสดงธรรมแกเราที่เราจะเพึงละทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนี้ได้หมายคือว่าสงสัยมานานแล้ว พระสมณโคโดมนั้นมีความสามารถพอที่จะชี้แจงและปกติเราเองก็เลื่อมใสในพระสมณโคโดมแต่ก็เป็นความเลื่อมใสที่เก็บเอาไว้ในใจซึ่งไม่เคยไปบอกเนี่ยนะด้วยเหตุผลอันนี้นี่แหละทำให้สุพัทธปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในปัจฉิมยามแห่งราตรีคืนวันวิสาขบูณมีเนี่ยนะวันเพ็ญเดือนหกตอนทิพยปองใกล้จะปรินิพาน ซึ่งเหตุผลหลักก็คือว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนั้นครั้งคราวบัดนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะปรินิพานเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สองเราเองก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและปัญหาอันนี้ต้องอยู่ในพุทธวิสัยเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละตอบปัญหาอันนี้จึงจะคลายความสงสัยเพราะนั้นเชื่อมั่นว่าพระองค์ต้องตอบให้เราคลายความสงสัยได้ ซึ่งอันที่จริงที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านนั้นเป็นสาวกองสุดท้ายบุญเก่าเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้ท่านเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าก็ดังระจรไปไกลยอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใจกระจิตกระใจที่จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ท, ทั้งทั้งที่เลื่อมใสใคล้ายๆกับคนสมัยนี้นะทั้งทีก็เหมือนว่าเออเลื่อมใสในคาสอนแต่ว่า อ้างว่าเออไม่ยังไม่ได้เวลาที่สมควรที่จะศึกษาคําสอนก็อย่างเนี้ยกรณีของสุภัททะปริภาชค น, น, นี่ยแหละเกิพระพุทธเจ้าจะปรินิพานนั่นแหละพึ่งนึกได้เนี่ยนะพึ่งนึกอยากจะไปเฝ้าอันหลายคนเนี่ยถ้ามีโอกาสคล้ายๆกับสุภัททะปริภาชกก็ก็อ ย, อยังชั่วหน่ยแต่ถ้าไม่มีโอกาสเช่นนั้นเลยก็เป็นคนที่น่าสงสารเนี่ยนะกล่าวว่าพอมีดวงตาจะมองเห็นแสงได้ พอดีดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วทำอะไรได้ไเนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสุภัธาปริภาชคนั้นมีว่าเป็นผู้ที่บวชนุ่งหม่มนะเป็นนักบวชผู้นุ่งหม่มท่านบอกว่าเกิดในตระกูลอุทิจพราหมณ์มหาศาลออกบวชจากตระกูลที่ร่ำรวยมากเนนะเป็นเรียกว่าเป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นชายหนุ่มผู้สแสวงหาความรู้ สุภัทประริพาชกนั้นก็มีความสงสัยคิดว่า น, นะคิดว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะที่เขานึกอยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากว่าบุญเก่าบารมีเก่าที่เขาสั่งสมมาเนี่ยนะเป็นตัวกระตุ้นเตือนก็เท้าความถึงประวัติในอดีตในอดีตชาติเนี่ยนะว่าสุภัทประริพาชกเนี่ยในอดีตเขาเนี่ยเป็นพี่น้อง ก, กันกับพระอัญญากูลทัญญะ น, นะ ในอดีตชาติน่ะนะเป็นพี่น้องสองคนพี่น้องสองคนเนี่ยก็ทานาร่วมกันนะก็เรียกว่าเป็นไม่ได้แบ่งนานะเมื่อไม่แบ่งนาก็ทานาด้วยการทานาร่วมกันระหว่างพี่กับน้องพี่ชายนั้นเนี่ยนะเกิดมีศรัทธาปรารถนาจะถวายข้าวอ่ถวายอาหารชั้นเลิศหรือปรารถนาที่จะทาบุญชั้นเลิศแด่พระพุทธเจ้า ก็ได้ไปปรึกษากับน้องชายว่านะคือตอนนั้นเนี่ยข้าวกล้ามันตั้งท้องแล้วก็ในในเมล็ดข้าวข้างในเนี่ยมีน้ํานมละซึ่งสามารถที่จะบีบคั้นเอาแต่เอาแต่น้ํามาเรีน้ํานมข้าวเนี่ยนะน้ำนมข้าวที่อยู่ในเมล็ดข้าวอ่อนเนี่ยคิดว่าน่าจะเอาน้ํานมข้าวเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระรตนะไตรก็ไปปรึกษากับน้องชายน้องอ่ะนะพี่ชายก็คือ พระยากรธัญญาในอดีตชาติน้องชายก็คือเนี่ยสุภัททะปริภาชกในปัจจุบันชาตินั่นเองทั้งพี่ชายก็ไปปรึกษาน้องชายก็บอกว่านี่พี่จะทําให้ข้าวกล้าของเราเนี่ยพี่น่าเสียหายใช่ไหมก็คือว่าไอการทําแบบนี้อย่างไรข้าวกล้ามันก็เสียหายโดยหลักการทั่วไปเนี่ยนะการที่เราฉีดข้าวที่กําลังตั้งท้องเนี่ยแล้วฉีกเอามารูดเอาแต่น้ํานมเนี่ย แม้ข้าวกล้ามันก็เสียหายน้องก็บอกว่าไม่ยอมที่ชายก็รู้ว่ายังไงน้องชายก็ไม่ยอมก็เลยแบ่งนากันคนละครึ่งเนี่นะแบ่งนาพี่ก็เลยแบ่งผ่าท้องแล้วเอาเอาผ่าท้องรวงข้าวเนี่ยนะเอาน้ํานมข้าวเนี่ยมาหงต้มผสมด้วยเนยใส่และน้ําอ้อยเป็นต้นก็ทําบุญพุทธบูชาไปนี่นะก็ทําบุญแด่พระสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก หลังจากนั้นก็เป็นข้าวที่เรียกว่าเริ่มสุกใหม่ๆข้าไปทําเป็นข้าวเม่าได้อนพี่ชายก็ปรุงเอาอาหารนั้นมาทําเป็นข้าวเม่าถวายแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเวลาที่เกี่ยวตอนที่เกี่ยวข้าวก็ น, นะช่วงนั้นก็ทําบุญอีกแล้วตอนที่เอามัดเป็นฟ่อนเนี่ยมัดคะนนก็คือมัดเป็นฟ่อนก็ทําบุญอีก หลังจากนั้นก็ทําบุญมาเรื่อยๆเนี่ยนะแม้กระทั่งตอนเป็นฟ่อนตอนตากตอนขนไปเข้าลานตอนนวดตอนที่เอาข้าวใส่ในช้างจนสําเร็จทุกครั้งเนี่ยมีการทําบุญอยู่เก้าครั้งด้วยกันเนี่ยนะเรียกว่าทําบุญอย่างเลิศที่เรียกว่ายากที่จะหาะบุญใดเสมอเหมือนในกรณีชาวนาด้วยกันตั้งแต่ข้าวเนี่ยตั้งแต่ข้าวตั้งท้องโดยลําดับจนถึงเรียกว่า ผลข้าวเข้าวช้างแต่ว่าข้าวอันนั้นที่พี่ชายได้ทําไม่ได้ทําให้ข้าวกล้าสเสียหายเลยแม้แต่น้อยเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าได้ทําบุญกับผู้ที่เป็นนาบุญอันสูงสุด อ, อันสูงสุดคือพระสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งยากที่จะหานาบุญที่ประเสริฐขนาดนี้ได้อีกแล้วนั้นบุญอันนั้นก็ได้ให้ผลและความที่พระอัญญาโกณทัญญาเนี่ยนะในอดิตชาติเนี่ย เป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดียวและปรารถนาที่เรียกว่าอะไรที่มันยอดยอดน่ะ น, นะอะไรที่มันเริ่มแรกเริ่มแรกเนี่ยเขาชำนาญมากทั้นก็เลยตั้งความปรารถนาเป็นเอตทักคะเรื่องรัดตันอยู่รู้ทำได้เร็วหมายก็ว่ารู้ทำก่อนเพื่อนในหมู่มนุษย์นั้นเขาชื่อว่าเป็นคนที่บรรลุคนแรกและขณะเดียวกันตลอดชีวิตที่ดำรงอยู่ก็ชื่อว่าบรรลุนานกว่าเพื่อน ก็เลยเรียกว่าตั้งความปรารถนาเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมก่อนเพื่อนทั้งหมดก็เลยพระองค์แสดงก่อนที่พระองค์จะประกาศถ้าธรรมจักเนี่ยนะพระองค์ก็ตรวจ ด, ดูบุญวาสนาของพระอัญญาโกโณทัญญาแล้วคือพระัญญาโกโทัญญานั้นทำบุญด้วยปัจจัยสี่ที่เลิศแล้วก็ทำด้วยความตั้งใจที่เลิศจริงๆเรียกว่าเลิศดีประนีต นั้นพระ อ, องค์ก็เลยปรารบว่าเราจะแสดงธรรมให้แก่ใครหนอซึ่งเป็นธรรมอันเลิศก่อนระดับแรกก็เห็นว่าพระอัญญาโกณธรรญยานี่แหละเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาพอที่จะรับพระธรรมอันเลิศคือโลกุตระธรรมอันเลิศจากพระองค์พระองค์ก็เลยแสดงธรรมเพื่อจะโปรดเขาก่อนกว่าคนอื่นทั้งหมดซึ่งท่านก็ได้บรรลุโสดาปติพน นะธรรมจักสุปราศจากมนทินปราศจากธุลีธรรมจักสุอันนั้นก็คือโสดาปฏิมักก็เกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะแทงตลอดทุกขสัตว์โดยปริญญากิจแทงตลอดสมุทัยโดยการละแทงตลอดนิโรธโดยการทําให้แจง้งมักอันนั้นก็เป็นทัศนะมักมักที่เกิดขึ้นเห็นอริยสัตว์เนี่ยนะบรรลุโสดาปฏิผลพร้อมกับพรหมสิบแปดโะฉ์ปัญไอความ ท, ที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยเร็ว แล้วก็ไวไอ้คําว่าเร็วเนี่ยนะมันมีอยู่สองอย่างถ้าทําบาปควรช้าดีที่สุดถ้าจะทําบุญทําให้เร็วเนี่ยนะถ้าจะทำะถ้าจะทําบาปเนี่ยนะช้าเท่าไหร่ยิ่ยงดีนั้นบาปอย่ากล้าอยา่ า, ยาเร็วยิ่งช้าเท่าไหร่ ย, ย, ย, ยิ่งอ้อยอิ่งยิ่งเรียกว่ายิ่งทวงเวลาเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีเท่านั้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่เสียหายทั้งในปัจจุบันเนี่ยสำรับยาพบตรงกันข้ามฝ่ายบุญถ้ารีบทําได้ก็ต้องรีบทำเนี่ยนะ ันฝ่ายพี่ชายเนี่ยความที่เป็นผู้ที่ไม่ประมาททําบุญก็เป็นผู้ที่ได้ตรัสนะเป็นคนที่รู้เหตุการณ์เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์นับตั้งแต่ท่านประสูติเป็นต้นมาท่านรู้เลยนะว่าเออเนี่ยผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแล้วก็อดใจรอถึงกับบวชตามในที่สุดก็ได้เห็นอริยสัจ ก, ก่อนเพื่อนจริงๆเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนที่เรียกว่าตื่นตัวที่สุดในบรรดาผู้ที่ตื่นตัวนะในหมู่มนุษย์คนที่ตื่นตัว ถึงว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระอัญญากกนทัญะชื่อว่าตื่นตัวกว่าเพื่อนตื่นตัวกว่าคนอื่นทั้งหมดนี่ฝ่ายน้องชายละ่ะน้องชายเนี่ยคิดชา้าเนี่ยเมื่อประสบความสําเร็จทุกอย่างเรียบร้อยบริบูรณ์พูนสุขนั่นแหละค่อยทําบุญ น, นะซึ่งต่างจากพี่ชายพี่ชายบอกว่าทําบุญก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยไหว้ทีคือคืออัธยาศัยเขาน้องไปเพื่อทําบุญเนี่ยนะเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยใช้ค่อย บริโภคถ้าเปรียบเหมือนชาวโลกสมัยนี้ก็คือว่าพวกนี้เน้นการลงทุนนะเน้นการลงทุนอาจจะเก็บหอมรอมริบอดอ ด, อ ด, อ ด, อ ด, อดอยากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเป็นการลงทุนที่ดีและถูกต้องเขาทุ่มสุดตัวในที่สุดก็ตอนปลายก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยนะเพราะว่าผลของการลงทุนที่ถูกต้องทําให้ไม่เดือดร้อนในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปช่วงแรกๆอาจจะวิตกกังวลบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าหากว่าทําในสิ่งที่ถูกแล้วไม่น่าหนักใจอะไร ชันใดผู้ที่เจริญกุกศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่ามีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่ทำและผลแห่งการกระทำหมายคือว่ารู้ผลแห่งทารู้จักการให้ทานในนาที่ดีและรู้จักผลแห่งการให้ทานในเนื้อนาที่ดี